เป็นศาสดาแทนตัวท่านธรรมะเป็นความจริงเป็นสัจธรรมยั่งยืนส่วนร่างกายรูปปัถณ์อะไรเงี้ยไม่ยั่งยืนรูปปัถณ์โองหพร้พุทธเจ้าก็าแตกสลายไปธรรมะของท่านไม่แตกสลายธรรมะ น, นี้เป็นของกลางเป็นของโลกถึงศาสนาพุทธจะหมดไปธรรมะก็ยังอยู่ นานๆนนไปข้างหามีพระพุทธเจ้าอีกองคหนึ่งนะามาค้นพบธรรมะของเก่านี้แหละธรรมะก็เป็นของเดิมแต่คนก็รู้ขึ้นมาเป็นคราวๆเวลามีพระพุทธเจ้ามาสอนแต่ว่าพอสิ้นพระพุทธเจ้าไปเรามักจะทรงธรรมะไว้ไม่ได้กนะ็าหายไปคนก็ลืมธรรมะเนี่ยธรรมะก็อยู่อย่างนั้นะไม่ได้หายไปด้วยแต่ว่าคนไม่รู้จักนะ นานๆก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรุอีกนะธรรมะก็กลับมาสู่ชาวโลกอีกไม่นานก็ลืมอีกเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะธรรมะแท้ๆนะั้นยากเหลือเกินเลยที่จะส่งเอาไวนะ้ธรรมะเนี่ยจะทรงอยู่ที่หัวใจเราเท่านั้นเองที่อื่นจะเก็บธรรมะไม่ได้เลยนะเก็บไม่ได้ตู้มันก็อยู่ในตู้เปน็นหนังสือเฉยๆ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 ใจิตใจของเราเนะี่ยปกติจะไม่ยอมรับสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานี้อย่างความสุขเกิดขึ้นเรายอมรับไม่ได้ยอมรับความจริงของความสุขไม่ได้นะว่าความสุขไม่เที่ยงความสุขต้องหายไปเพาเรายอมรับไม่ได้เราอยากให้มันอยู่นานๆเมื่อมันหายไปเราก็รุ่มใจนะเสียตายอะไรอาวบ์หรืออย่างคนที่เรารักเนี่ยเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าวันหนึ่งจะต้องพลัดพรากยังไงก็ต้องพลัดพรากไม่จากเป็นก็จากตาย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 นนเป็นของแปรปรวนนะทุกอย่างมันเป็นของชั่วครางชั่วคราวไปหมดเลยไม่ว่าทรัพย์สมบัติครอบครัวนะชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองอะไรต่อใดนะเป็นของชั่วคราวไปหมดเราจะต้องมาเรียนมาเรียนให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้นะเราจะไม่มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นปัญหาชีวิตอาจจะมีนะเช่นไม่สบายป่วยได้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 ดงั้นถ้าเราพัฒนาตัวเองนะขึ้นมาเป็นลําดับลําดับรู้จักทําทานรู้จักรักษาศาีลรู้จักทําสมาธิฝึกจิตฝึกใจให้สงบฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นสมาธิมีสองแบบอันหนึ่งสงบอันหนึ่งตั้งมั่นสงบก็ได้พักผ่อนตั้งมั่นเอาไว้เจริญปัญญาเพรางานหลักของเราจริงๆในชีวิตพวกเรานะคืงองานเจริญปัญญาดงนั้นชาวพุทธเราเนี่ยมีหน้าที่นะหน้าที่ของเราคือการเรียน ถ้าคนเขาถามเราว่าชาวพุทธมีหน้าที่อะไรตอบเขาไปเลยหน้าที่ของชาวพุทธคือการศึกษาเดี๋ยวให้โรบินมันไปก่อนเสียงมันดังกว่าเรามันดังมาเราก็เงียบไปก่อน <c oughs> ชาวพุทธเรามีหน้าที่ศึกษานะบทเรียนที่เราต้องเรียนนี้มีสามบทบทที่หนึ่งชื่อสีละสิกขาสิกขาก็คือศึกษานะั่นเอง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 การถือศีล น, นั้นจะถือได้ดีนะถ้าเรามีสติรักษาจิตการถือศีลถ้าอย่างไปขอพระอยาก็ไปขอศีลทา่เราชอบขอศีลไหมทีนี้ขอแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งมามาขออีกแล้วขอแล้วขออีกครูบาอา จ, จารย์ท่านบอกเป็นศีลชูชก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 คนเมตตาคนอื่นอันไหนจะสงบกว่ากันคนที่จะขโมยเขากับคนที่เสียสละให้คนอื่นได้คนไหนจิตใจจะสงบสุขกว่ากันคนที่นอกใจสามีพันยานะกับคนที่ซื่อสัตย์ในคู่ของตัวเองคนไหนสงบสุขกว่ากันคนปลิ้นปั่นหลอกลวงกับคนพูดความจริงคนไหนสงบสุขกว่ากันคนปิดยาเสพติดขี่เหล้าเมายากับคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ใครจะสงบสุขกว่ากัน ดังศีลเนี่ยเราถือไปเพื่อความสงบสุขนะไม่ใช่เพื่อลําบากเพื่อทรมานเล่นหรือเพื่อเอาไว้โอ้อวดว่าเรามีศีลมากกว่าคนอื่นนะถ้าเรารู้คุณค่าของศีลว่เาเป็นไปเพื่อความสงบสุขทางใจเกิดสมาธิง่ายนะถ้าเรารู้คุณค่าของศีลเนี่ยแล้รู้วิธีรักษาศีลเราจะเต็มใจรักษาศีล น, นะแล้วก็การรักษาศีลจะไม่ยากรักษาศีลไม่ใช่บังคับกายบังคับใจไม่ให้ผิดศีล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 อย่างใจโลภนะผิดสีข้อห้าได้ไงในขณะที่ใจเราเพลิดเพลินหลงโลกนะกระดิกระดาเจอพักพวกเพื่อนส่งชวนกันตั้งวงกินเหล้าก็ได้เวลามีความสุขคนไทยเราชอบกินเหล้าใช่ไหมเนาะถือก็ดีกว่าให้เหล้ากินก็คิดอย่างนั้นเนาะเนี่ยพอพอมีความโลภเพิ่มมานะ <S <S เพลิดเพลินในความสุขก็ <S <S พากันกินเหล้าอีกเวลาลุ้มใจมีความทุกขก็กินเหล้าอีกกินมันทุกเทศกาลเลย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 กิเลสครอบวมจิตให้เราคอยสังเกตที่จิตของเราไว้ถ้าเมื่อไรราคะเกิดขึ้นให้รู้ทันเมื่อไหรโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันเมื่อไห ร, ร่ฟุ้งซ่านนะหดหู่ GH อะไรเกิดขึ้นรู้ทันเมื่อไรลังเลสงสัยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเราคอยรู้ทันบ่อยๆโดยเฉพาะราคะโทสะความชอบความไม่ชอบเนี่ยเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไว้เรื่อยๆทันทีที่เรามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตนะกิเลสจะไม่เกิดที่อื่น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 ถ้าเราคอยรู้ทันในะกิเลสจะคร่งำงาใจเราไม่ได้เราจะไม่ต้องผิดศีล น, นะศีลอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นการอาศัยสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่จิตเราจะได้ศีลอัตโนมัติขึ้นมาอาศัยสติอีกแหละะค่อยมารู้ทันจิตถ้าจิตมันฟุ้งซ่านนะรู้ทันมันจิตมันจะสงบอัตโนมัติเนีย่ยพวกเราหลายคนอยากนั่งสมาธิพวกเราคนไหนนั่งสมาธิบ้างยกมือสิมีไหมอชอบนั่งสมาธิ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 สมาธิเป็นเรื่องดีสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยเป็นสมาธิที่ฝึกแล้วจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจะมีความสุขเอาไว้พักผ่อนสมาธิชนิดนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอย่าที่พระพุทธเจ้าออกจากวังมานะก็ไปหัดนั่งสมาธิกับพวกฤาษีท้าชายสิทธัตถะออกมานั่งสมาธิกับฤาษีสงบแล้วท่านก็พบว่าไม่ใช่ถ่างฝนุกมันสงบเฉยๆรับ จิตถอนออกจากสมาธิก็ร้ายเหมือนเดิมกิเลสกลับมาเหมือนเดิมสมาธิชนิดสงบเนี่ยฝึกไม่ยากหรอกถ้ารู้เคล็ดลับหลวงพ่อฝึกสมาธิ2ี่ปีนะเพราะว่าขึ้นเจริญปัญหาไม่เป็นทำสมาธิอยู่2ีปีเพราะั้นจับหลักมันได้เยอะแยะเลยในเรื่องของสมาธิถ้าเราต้องการให้จิตสงบเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าทำไมจิตไม่สงบ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 มีความสุขแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดความสุขแล้วก็ต้องไปหาความสุขอย่างอื่นอีกจิตเลยต้องวิ่งพล่านตลอดเวลานะวิ่งไปทางตาวิ่งไปดูรูปวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งพล่านพลานไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัส ต, ตลอดเวลาจิตที่วิ่งพล่านไปวิ่งพล่านมานั่นแหละจิตไม่มีความสงบนะนะนี้ทําไงเราจะสงบง่ายมากเลยเราต้องหากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง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 พุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกจิตนั่นแหละเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานจิตของเราปกติจะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้กลุ่มผู้แต่งนะซุ่งสร้างวุ่นวายตลอดวิธีจะมาฝึกจิตให้กลายเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดมีวิธีที่ไม่ยากอะไรคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถ้าจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ทันนะส่วนใหญ่จิตจะเคลื่อนไปคิดพราะเราคิดทั้งวันไหม คิดทั้งวันใช่ไหมแล้วรู้อะไรเวลาคิดรู้เรื่องราวที่คิดใช่ไหมแทนที่จะรู้เรื่องราวที่คิดกลับใหม่กลับข้างสักนิดเดียวนะรู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่คิดเรื่องอะไรไม่สาคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่จำประโยคนี้ไว้นะประโยคนี้กว่าหลวงพ่อจะได้มานะพาวนากันแทบแย่เลยนะรู้เรื่องราวที่คิดไม่สาคัญหรอกแต่รู้ว่าจิตกาลังคิด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 พอจิตก็นั่งดูไปจิตเป็นแสงขึ้นมาเป็นแสงสว่างขึ้นมานะถ้าจิตจะเคลื่อนรู้จิตจะเคลื่อนก็รู้เนี่ยใช้หลักอันนี้นะพอจิตเคลื่อนปุ๊บรูปั๊บเคลื่อนปุ๊บปั๊บจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวขึ้นมาเลยนะพอจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะแต่ยังเดินปัญญาไม่เป็นนะเเดินปัญญาไม่เป็นจนอายุยี่สิบเก้าถึงไม่เจอหลวงปู่ดุลถึงได้เดินปัญญาเป็นเพราะสมาธิตัวมันเองไม่ได้ทําให้เกิดปัญญานะต้องเอามา ถ้ามีจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วนะต้องมีสตินะรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปหรือจะเกิดปัญญาถ้ามีสมาธิแล้วก็สงบอยู่เฉยๆนี่ก็ดีแต่ติดความสุขความสงบใช้ไม่ได้มีสมาธิแล้วก็รู้สึกตัวตั้งมั่นอยู่เฉยๆนะไม่เดินปัญญาไม่รู้ดูความเป็นจริงของกายของใจก็ใช้ไม่ได้ดนะังนั้นว่าเราฝึกสมาธิมาเนี่ยเพื่อจะเป็นฐานที่จะเดินปัญญาต่อไปเท่านั้นเอง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 จิตตั้งมัน่นปับ๊บมันจะถอนตัวออกมานะจะรู้สึกว่าร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตคล่านกันจะเห็นว่าความสุขความทุกขนะ์การ่างกายก็เป็นโคล่านกันความสุขความทุกข์กับจิตก็เป็นโคนละานกันมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยถ้าจิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องตัวเนี้ยตัวแตกหักเลยว่าเราจะเดินปัญญาเอามากผลนิพพานในชีวิตนี้ได้หรือไม่ถ้าจิตของเราถอยตัวออกมาเป็นผู้รู้ได้นะ เวลาสติระลึกรู้ร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่สติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจมันจะเห็นสุขทุกข์อะไรทั้งหลายนัไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะสติแต่ระลึกรู้กิเลสทั้งหลายโรคปวนหลงอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าโรคปวดหลงไม่ใช่ตัวเราอีกนะเป็นแค่สภาวะธรรม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 ถ้าเราสามารถแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆได้เมื่อไรหร่อเป็นขันได้เมื่อไหร่เนี่ยตัวเราจะหายไปนะเมื่อตัวเราไม่มีนะที่รองรับความทุกข์จะไม่มีนะมันมีตัวเราขึ้นมาก่อนนะมันถึงมีที่ตั้งของความทุกข์ความทุกข์กลายเป็นเราทุกข์ขึ้นมาตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องใหญ่ซึ่งไม่ค่อยมีใครสอนกันนะอาภัพที่สุดเลยวิชาเจริญปัญญาวิชาวิปัสสนากรรมฐาน AI, อาเอาก็จะนั่งสมาธิหรือบางที่ก็ไม่นั่งสมาธิเลยนะ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 หลวงตามหาบัวสอนหน่อยว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นแยกธาตุแยกขันและแยกรูปแยกนามเนี่ยท่านใช้หนอยแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเราว่าเดินปัญญานะท่านฟันธงขนาดนี้เลยเพราะฉนพวกเราถ้ายังไม่เคยได้ยินเลยว่าจะต้องแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆเนี่ยยังห่างไกลต่อมรคนิพันนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มรคนิพานในชีวิตนี้นะขัานแรกตือสี่ห้าไว้ก่อนสิงขาด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 หลงไปในโลกของความคิดหลงไปเพ่งอันโ น, น้นเพ่งอันนี้จะไม่เกิดปัญญานะตัวนี้เรื่องใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าไหนไหนมันเจอหลวงพ่อทั้งทีนะอย่างน้อยฝึกให้ได้จิต ท, ที่เป็นคนดูนะเราก็จะเคยอยู่ใกล้มากส่ น, นิี้ผ่านเข้าไปเยอะเลยแต่ถ้าเราไม่มีจิต ท, ที่เป็นคนดูเรามีแต่จิต ท, ที่เป็นคนคิดอย่างเดียวนะอีกไกลนะเราพระศรีอานไมไปเถอะอาจจะเจอภระศรีอานแล้วก็ยังทำไม่เป็นเพราะไม่เคยฝึก เพราะั้นฝึกซะตั้งแต่วันนี้นะวิธีฝึกก็คือทํากรรมฐานอย่างหนึ่งคนไหนถนัดพุทโธก็พุทโธไปแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเอารู้พุทโธพุทโธพุทโธจิตไปเพ่งความว่างๆอยู่ก็รู้หรือไม่ชอบพุทโธก็หายใจไปหายใจออกหายใจเข้าไปนะจิตหนีไปคิดเอารู้หรือจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตไปเพ่งลมก็จิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ลมนะจิตเคลื่อนทั้งนั้นเลย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 ถ้าเไรรู้สึกกายรู้สึกใจมีร่างกายก็รู้สึกกายกมีจิตใจก็รู้สึก จ, จิตใจจิตใจเป็นสุขก็รู้สึกจิตใจเป็นทุกข์ก็รู้สึกจิตดีจิตร้ายก็รู้สึกนกีมีสตินะแล้วก็จิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิชนิดตั้งมั่นังนั้นต้องพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาไทยง่ายๆเลยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละคือตัวสมาธิสําคัญนะพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตั ว, ต ว, ตวแล้วนะหักแยกธาตุแยกขันออกไปให้เห็นว่าร่างกายที่นั่งอยู่เนี้ย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 จะมีตัวร่วมกันในทุกๆปรากฏการ์ก็คือมีจิตที่เป็นคนดูในทุกๆปรากฏการ์นะก็จะเห็นว่าปรากฏการ์ทั้งหลายนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตลอดเวลาจิตเป็นคนดูนะแต่ตรงจิตเป็นคนดูนะมีหลักสําคัญอันหนึง่งห้ามรักษาไว้นะให้มันเป็นผู้รู้ขึ้นมาเป็นคลาล์ๆถ้าจงใจรักษาไว้นะัจะแข็งเกินไปจะแน่นๆนะจะจะไม่ใช่ผู้รู้ตัวจริงถ้าผู้รู้มันจะต้องเป็นผู้ตื่นด้วยเป็นผู้เบิกบานด้วย ถ้าจงใจจะรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆใจจะกระด้างแข็งนะเดินปัญญาไม่ได้จริงพอไหวไหมไหนๆหลวงพ่อมาอเมริกาทั้งทีนะเมื่อวานวันสุกวันเสาร์ที่ผ่านมาเทศที่ชิคาโกนะเป็นเทศแบบง่ายๆวันนี้เทศยากกว่าเมื่อวานนะเนเทศ์ง่ายทุกวันไม่มีประโยชน์นะเพดังนั้นเรียนหลักให้แม่นนะ แล้วจะได้ทำได้ถือศีลห้าไว้ศีลขาดแล้วตั้งใจรักษาเอาใหม่นะแล้วก็คอยรู้ทันกิเลสโรบขึ้นมารู้ทันโกรธขึ้นมารู้ทันตนะัวเร่รแล้วศีลเราจะดีขึ้นนะแล้วก็ถ้าต้องการพักผ่อนนะน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธหายใจมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจก็จะได้ความสงบ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 ถ้ารู้ทานจิตที่เคลื่อนเนจะได้สมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อได้สมาธิที่ตั้งมั่นก็มาถึงงานที่สี่คือการเจริญปัญญาแล้ววิธีเจริญปัญญาเนี่ยค่อยๆแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนั่งก่อนนั่งสมาธิไปนั่งตัวอะไรนม่รอเสียงวัตถุเดือดจริงใครจิตออกนอกไปหาในบังยกมือสิรู้สึกไหมจิต เออมันจะไล่เลยในชะ่ไหไล่ตามมันฉกสังเกตไหมจิตเราฉกได้ะถ้าคอยเห็นจิตมันฉกได้เนะี่เริ่มดูเป็นล้วจิตเราไม่เคยอยู่นิ่งหรอกจิตทํางานตลอดเวลาเ น, นี่ยตอนเนี้ยจิตส่วนใหญ่หนีไปคิดแล้วทราบไหมจิตไหลไปคิดแล้วนะก็รู้ทันหลวงพ่อนนไม่ต้ได้ถึงนะที่ที่นคนภาวนานดีๆมีหลายคนนะใช่ได้ดี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 พอนั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็นะดูไปอีกก็จะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งะความปดวดความเมื่อยก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งเรืนะ่องค่อยหัดแยกไปพอร่างกายมันปวดมากๆนะจิตใจก็สับกสายแล้วตั้งวัใจปวนั่งตั้งนานแล้วจะเป็นอมัมพาตหรือเปล่าไม่รู้อะไร น, นะที่เป็นนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนมันไม่เป็นอมัมพาตนะ นั่งกรรมฐานชั่วโมงหนึ่งโอ้ถ้าจะเอามาพาดกินละนะหรือเดินช็อปปิ้งนะทั้งห้าชั่วโมงเดินได้สามชั่วโมงเดินได้นะเดินโจรกลมครึ่งชั่วโมงโอ้นี่สงสัยจะอัตตากิรมัฏฐานิโยกเคร่งเครียดเกินไปนะอเอาแต่ตามใจกิเลสมาได้กินนะเ <c oughs> นี่ยค่อยๆดูไปพอใจมันกังวล น, นะก็เห็นความกังวลเนี่ยไม่ใช่ร่างกายความกังวลไม่ใช่ความปวดความเมื่อย นะความผวดความเมื่อยอยู่ที่ขานะืความกังวลอยู่ที่ใจคนละอันกันความกังวลก็ไม่ใช่จิตอีกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนะี่ยค่อยค่ยหัดนะอย่างนี้ต่อไปเราจะแยกขันได้ร่างกายก็เป็นรูปขันนะความปวดความเมื่อยเรียกเวทนาขันความกังวลใจนี่เรียกว่าสังขารขันจิตที่เป็นคนดูนี่อยู่ในวิญญาณขันพอแยกได้แล้วตัวเราจะหายไปเราจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราเดินแะล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 จิตเป็นคนไปรู้อยู่ชั่วคราวแล้วความสุขความทุกข์ก็หายไปเนืท้ทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปมีแต่ของไม่เที่ยงถ้าเมื่อไหร่จิตเรามีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเหมือนให้มันไปก่อนเขาเรามาอยู่ใกล้สนามบินเองเนอะมันก็มาบ่อยถ้าเมื่อไหร่นะใจเราเห็นความจริงเราดูความจริงเรื่อยๆไปความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปอะไรดูเงี้ยต่อไปปัญญามันเกิด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 การคิดพิจารณานะเป็นแค่อุบายเบื้องต้นไม่ให้จิตติดสงบเท่านั้นเองนะต้องค่อยๆฝึกให้แยกให้เป็นนะนี่วิปัสนากรรมฐานนี่วิปัสสนะเพราะว่าเห็นไม่ใช่คิดนะคิดคือวิตกคนละตัวกันแต่ว่าบางคนนะเนี่ยพอ ร, รู้ตัวแล้วเฉยรู้ตัวแล้วอยู่เฉยอ่เงี้ยครูบาอาจารย์จะสอนให้คิดก่อนให้คิดพิจารณาเป็นการกระตุ้นให้จิตทำงานนะแต่ถ้าจะเเห็นกายก็ทำงานความสุขความทุกข์ก็ทำงานนะ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 หมดความดินรนหมดความปรุงแต่งนะมีความสุขมากเลยค่อยาฝึกนะวันนี้หลวงพ่อเทศแบบเรียกว่าเทย่ามให้นะถ้าสำนวนชาวบ้านเรียกว่าเทกระเป๋าหลวงพ่อไม่มีกระเป๋ามีแต่ย่ามเทให้แล้วนะแล้วก็ให้กันบ้านเป็นครูที่เข้มงวดนะให้กันบ้านคือไปฟังซีดีบ่อยๆนะถ้ามีซีดีก็ฟังไปนะซีดีเทศหลวงพ่อนะไม่ใช่ซีดีเพลงนะ บอกให้ไปฟังซีดีหรือฟังเปลินไปฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศไว้ฟังบ่อยๆนะถ้าไม่มีซีดีก็ไปดาวน์โหลดเอานะตามเว็บไซต์ต่างๆนี่เยอะแยะไปคนเขาเอาไปทำเยอะแยะไปหมดนะฟังแล้วฟังอีกแล้วก็ดูของจริงไปเรื่อยๆแล้วเวลาสงสัยภาวนาแล้วเกิดความสงสัยนะมีเคล็ดลับนะเวลาเกิดภาวนาแล้วสงสัยไม่เจอหลวงพ่อเจอยากนี่นะ อยู่กันคนละประเทศเจอยากทําไงดีไม่ยากอะไรสงสัยเรื่องอะไรนะก็ไปเปิดซีดีมีทุกเรื่องแหละ <c oughs> <c oughs> ให้กันบ้านแล้วนะถ้าใครทําได้นะปีหนึ่งย่างมากชีวิตเราก็เปลี่ยนบางคนนะสองอาทิตย์เคยมีมาแล้วนะสองอาทิตย์ชีวิตก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากไอ้คนที่มืดบอด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 เรื่องสีลสิกขาจิตศกขาปัญญาศีขานี่นะศึกษาไปเรื่อยจนสร้างปัญญาแก่รอบจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจนี้จะยึดทําไมร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุไม่ใช่คนจะยึดทําไมกับจิตใจซึ่งเป็นของไม่เที่ยงของแปรปรวนเป็นของบังคับไม่ได้เมื่อมันหมดความยึดถือในกายในใจพอเราไม่ไปหยิบเวยกายขึ้นมาความทุกข์มันอยู่ที่กายนะพอเราไม่ไปหยิบเวยขึ้นมา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 อาศัยฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วลงมือปฏิบัตินะแล้วเราก็พ้นทุกของเราเองนะเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่เทศนะครูบาอจารย์หลวงพ่อมีเยอะองค์หนึ่งที่ไปเรียนด้วยก็หลวงปู่เทศหลวงพ่อทูนก็เคยไปหาเคไปเรียนด้วยหลวงพ่อทูนถ้าจะเน้นเดินปัญญา ให้คงลำคาญพวกติดสมาธิติดนั่งทีไรก็นั่งเพ่งลุกเดี๋ยวป่วยการท่รานสอนให้คิดมันไปเลยให้คิดพิจารณานั้นเป็นอุบายให้จิตทำงานนะเราทิ้งไม่ได้หรอกศีลสมาธิปัญญาท่านมีให้ครบนะไปหาหลวงปูธธ่เทบท่านอยู่ดิบแม่น้ำโขงเรือวิ่งไหนแม่น้าโขงเสียงดังอย่างเนี้ยเวลาท่านเทศท่านสอนสมถานอยู่พอเรือมาท่านโอ้เรือลาวมา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 ย่อมขอถามเรื่องสภาวะธรรมที่เกิดที่ว่าเวลาที่เราอินเข้าไปในเรื่องบางเรื่องแล้วทำให้ตอนนั้นคือคือสติอ่อนใช่ไหมเจ้าคะขาสติไดยถึงอินให้รู้ทันว่ามันอินแค่ใว่เดี๋ยวมันหลุดออกมาละเวลาดูหนังก็อินใช่ไหมใช่ค่ะออพวกเราสังเกตไหมเวลาเราดูหนังดูละครนะผู้หญิงก็จะอินเป็นนางเอกทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นนางอิจฉา <laughs> <laughs> ผู้ชายก็เป็นพระเอกทั้งๆที่หน้าตาดูไม่ได้เลยใช่อินอ่ะอแล้วอีกอารมณ์หนึ่งที่ว่าเราไปแช่ละเจ้าค่ะเออแช่ไม่เอานะอย่าให้มันนิ่งได้จิตถอยออกมาเห็นไหมจิตมันตกใจใช่เห็นไ้มพอจิตตกใจสังเกตไหมันเตรียมต่อสู้เตรียมวิ่งอ่ะมันรวบเข้ามารู้อย่างที่มันเป็นเห็นไหมว่ามันรวบเข้ามาได้เองอแล้วยอมมีอะไรที่จะต้อง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 เท่านี้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ทําเท่านี้ให้ได้นะเท่านี้ก็ทํายากต้องค่อยฝึกเนอะอย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉยติดแช่ไม่เอานะให้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติให้จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติแล้วเราค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงนั้ น, น, น, น, น, นไปนะไม่ใช่ไปบังคับมันการปฏิบัติที่ผิดมีสองอย่างนะคือความสุขโตสองด้าน ด้านหนึ่งไหลาตาม ก, กิเลสเลืเพลินลืมเนื้อลื ม, ม, มตัวลืมใจลืมใจอีกด้านหนึ่งก็ตึงเครียดเกินไป บ, บับงคับกายบังคับใจของคนตึงไปเป็นอาตาัตตกิริมัฐานโยกนั่นเกิดจากโลบอยากดีก็อยากดีกด็เลยไปบังคับเรารักดีห้ำจัว่วจั่วหนักนะไปทำตอบไปทำรัชการธรรมจนันทอ่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 คิดพิจารณาเข้าไปเลยเนี่ยอุบายที่ครูบาอาจารย์สอนให้คิดพิจารณาเนี่ยเพื่อแก้สิ่งนี้แหละนะเพื่อแก้ติดสมาธิเฉยๆผมเริ่มมาเปลี่ยนใหม่ได้สองสามอาทิตย์นี่แหละแต่ค่อนใช้พุโทโธพุโทโธมาเปลี่ยนเป็นเวลาเดินกรรมฐานก็ใช้นามาพธะะ <c oughs> เวลาก้าวไปมันถูกจังหวะ <c oughs> ถูกจิตใจกันถูกจิตใจของเราว่า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 สวัสดีคะน้มันสกานะคะหลวงพอ่เอเอขอบคุณนะคะตอนหนูอยากกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ทําให้ชีวิตหนูเปลี่ยนนะคะก่อนหน้านี้ก็คือหลงไปนู่นมานี่ไม่รู้ เ, เลยนะคะพอตอนนี้เสร็จปุ๊บก็พอได้มาฟังซีดีได้มานั่งเริ่มนั่งสมาธิถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้นั่งเยอะมากแต่ก็รู้สึกว่ามันสงบขึ้นเยอะนะคะการปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเราทําถูกนะแม้แต่นิดเดียวนะก็ได้บุญเยอะนะคะ สร้างวัดทางวัดเนะ่ยบอกสู้นั่งสมาธิจิตเข้าฐานสักทีหนึ่งสี่ท่ค่ ะ, คะแล้วมีคําถามค่ะหลวงพ่อคือเวลาหนูนั่งสมาธิใช่ไหมคะแล้วเหมือนกับว่าบางทีเราไปรู้อารมณ์ ร, รักโลภโกรธหลงอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแต่คือบางทีมเราไม่แน่ใจว่าอารมณ์อันนั้นคืออะไรไม่จําเป็นไม่รู้ชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะนะชื่อไม่สําคัญหรอกชื่อเป็นสมมติบัญญัติเห็นแค่ว่ามีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นหลวง พ, พ่อพูธสอนเรื่องนี้เรื่อยนะ ท่านแคพูดเลยว่าเวลาบรรลุพระโสดาเนี่ยเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมนาซัมติงอ่ะนะไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดเป็นธรรมนาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมนาเห็นแค่นั้นพอละถ้ายังพูดได้อยู่แปลได้อยู่สีทิ์ยังปรุงอยู่อ๋อค่ะเราอย่างเวลาอย่างสมมติหนูใช้ลมหายใจแบบเข้าออกเข้าออกไปรู้ลมหายใจค่ะหลวงพ่อและอย่างบางทีอย่างอย่างตอนนี้หนูเป็นวัด บางทีเงี้ยหายใจไม่สะดวกเงนี้ยครับหลวงพ่อ <Ừ. S 1> คือมีเหมือนกับว่าเคล็ดลับอะไรไหมคะที่จะทําให้รู้สึกว่าตรงนี้หลวงพ่อเคยไปเยี่ยมพระองค์หนึ่งนะไม่ได้ไปเชิงไปเยี่ยม่ไปเยี่ยมเยยี่ยมครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะแล้วก็ผ่านไปที่ห้องห้องห้องรวมนะมีพระอหนึ่งนอนตาใสแจ้วอยู่เลยใส่ท่อไว้ที่จมูกเนะี่ยถามท่านว่าท่านภาวนาแบบไหนใช้ลมหายใจหรอือท่านบอกุอ้ยไม่ได้ใช้ลมหายใจ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 ถ้ามันเข้ามาเองนะจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าไปดึงมันจะแน่นของหนูจิตเนี่ยไม่เข้าบ้านคดูออกเลไหมดูออกค่ะกระจายกระจายไปนะคะห้ามมันไม่ได้หรอกอย่างนั้นรู้สึกร่างกายไว้เราเป็นคนรักสวยรักงามมากนะดูไกยเยอะๆหน่อยหนูรู้สึกว่าดูไกลเข้าบ้านนั่นแหละถนัดดูไกลแต่ว่าบางทีบางทีดูใจเสร็จดูกายต่อแล้วมันก็สลับสลับได้ถ้าจิตมันมีกําลังนะ ดีก็รู้กายมันดีก็รู้ใจเราไม่เลือกหรอกไอ้คำว่าสายกายสายฉิตนนะั่นเป็นคำพูดของพวกภาวนาไม่เป็นค<ะ>ถ้าภาวนาเป็นนะบางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็รู้จิตใครไปสั่งมันได้คืออย่างบางทีของหนูมันดูแบบ คือบางทีก็ดูคุณหนูเป็นคนคิดมากมากค่ะจ๊ะคิดมากด้วยขี้โมโหด้วยอ่าใช่ต้องนะไรอีกแล้วค่วราวนี้บ้านทีก็ดูหนูก็เลยสับสนว่าเอ๊ะจะต้องดูกายหรือดูจิตเพราะ่างมันวุ่หงิดแล้วชักหงุดหงิดแล้วใช่เลยค่ะนี่ไรู้ทันว่าใจมันหงุดหงิดแล้วใช่เอาไงดีวะไม่ได้เอาอะไรหรอกสติเรารู้อะไรก็รู้ว่านั้นเรารู้อะไรรู้ไหมเรารู้ใจรัก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 ค่ะกราบน้ำมัศ ก, การหลวงพ่อคะวันนี้โยมได้เหมือนธรรมะจัดสรร น, นะคะว่าวันนี้เนี่ยปกติก็ไม่ค่อยได้มาวัดที่นิยอเท่าไหร่นานๆจะมาครั้งหรือมีเทศกาลสำคัญก็จะมาวันนี้ก็ถือว่าธรรมะได้จัดสรรเนี่ยใ ห, หให้ได้โยมมาพบด่านพระอาจารย์ประโมดนะคะโยมขอคำถามว่าคือหลังจากที่สวมดมนต์แล้วเนี่ย พยายามเออก็จะนั่งสมาธิทีนี้ในขนาดที่นั่งสมาธิเนี่ยสักประมาณสองสามนาทีเนี่ยจิตเนี่ยก็จะขึ้นอธิษฐานทันทีเลยนะคะเพราะว่านนอธิษฐานนี่ยค่ะมันก็ดีนะมันอธิษฐานในทางดีก็อย่างดีแหละไม่อธิษฐานทางร้าย <c oughs> มันก็ได้บุญนะ <c oughs> แต่ไม่ได้มรรคผลหรอก <c oughs> ถ้าจะามรรคผลนิพพานแล้วต้องดูความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจ ไนะอ้ น, นั่นอธิษฐานก็ตั้งใจที่ดีนะอธิษฐานเนี่ยไม่ไม่ใช่แค่นึกนกเอานะคําว่าอาธิษฐานถ้ากลายเป็นบารมีนะหมายถึงว่าเมื่อตั้งใจจะทําอะไรที่ดีแล้วลําบากแค่ไหนก็ไม่ถอยอย่างนั้นถึงเรียกเปอธิษฐานนะบารมีทนะ่านนึกอธิษฐานไปส่งเดชนะแล้วก็ไม่ทําสักเรื่องไม่มีบารมีนะค่นะขอข อ, ขอคำถามที่สองนี่นะคะว่า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 บางคนบอกว่าเข้าห้องน้ําห้ามสวดเขาห้ามเราไม่ห้าม <c oughs> เราพุโทโธของเราทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่ไหนเราก็พุโทโธของเราก็ได้ห <c oughs> รือไม่ชอบพุทโทมันสั้นไปสวดมนต์นโมตัดสาเราก็สวดไปเถอะสวดให้ใจมีเครื่องอยู่นะแล้วให้ใจฟุ้งซ่านให้รู้ทันใจดีให้รู้ทันใจร้ายให้รู้ทันรู้ทันไปสวดมนต์แล้วรู้ทันจิตใจไปขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ เนี่ยสวดเป็นนกแก้วนกขุนทองนะส่วมดมนต์แล้วก็คอยรู้ทันจิตใจไปหรือบางทีสวมดมนต์แปลก็ดีนะอย่างธรรมวัดบทธรรมวัตเช้าเนี่ยดีมากเลยบทธรรมวัตเช้าเป็นบทที่สอนมิปัสนากรมฐานสอนรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณอนิจจังรูปังอนัตตารูปเป็นอนัตตาสอนแยกขันห้าให้เห็นใจรักเนื่อของวิเศษเลย ทีถ้าเราสวดเปล่าๆไปได้บุญนิดหน่อยถ้าเรารู้ความหมายแล้วก็ไปปฏิบัติได้นะจะได้มากได้ผลนะดีอย่าขี้เกียดสวดมนต์ว่ามาสงสัยอะไรทอนาก็เป็นก็ผมปฏิบัติสายพองยุคมาสามปีครับแล้วก็ผมเกิดสภาวะรมเวลาขณะเดินจงกรมอย่างนี้อาจารย์ขณะที่ยกเท้าย่างไป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 ผให้จิตเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูพยายฝึกตัวนี้ให้ได้นะเห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูค่อยๆเฟ่เนี่ยบางทีการที่เราดูจนละเอียดยิบเลยนะขยับคลิก ๆ, ๆๆเนี่ยเราจิตเราไม่ได้ตั้งมั่นจริงขิม จ, จะเคลื่อนลงไปจ้องนะตอนนั้นเรียกว่าจิตมันไม่มีสมาธิมากพอนะถ้าจิตมีสมาธิมากพอมันจะถอนตัวออกมามันจะเห็นในตัวเนี้ยซึ่งเคลื่อนไหวธรรมดาอย่างเนี้ยไม่มีตัวมีตนเลยครับผม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 ครับผมถ้าถ้าอย่างทู่ซีนอนไปเรื่อยๆนะมันก็จะฝันเลอะเทอะไปครับผมอาจารย์แล้วอย่างนี้ผมจะเดินปัญญาอ่าไครับยังไม่เดิน<ง>จิตต้องตั้งมั่นนะครับผมขณะนี้จิตเป็นยังไงปรับหลงพ่อได้ไหมขณะนี้จิตก็รู้สึกว่ามีอาการสันสกลัวกลัวนิดนึงแล้วไปข่มไว้ดูออกไหมดูออกครับก<อ>็คือตัวนี้นต้องรู้ครับผมแล้วถ้าไม่ข่มไว้เนี่ยจิต ตั้งมั่นถึงฐานจ ร, จริงๆหรือเปล่าหรือว่ากระจายกว้างๆมีแต่ความสุขกว้างๆอยู่ <ฮะ S 1> ไปดูให้ดีนะครับผมถ้าจิตแม่มีความสุขกว้างๆว่างๆอยู่งั้นทั้งวันนะไม่ได้เดินปัญญาแล้วถ้าผมไปติดความว่างอยู่ข้างนอกนค่อยๆย้อนกลับเข้ามาข้างใ น, นครับมาดูกายดูใจครับผมะไปค้างอยู่ข้างนอกนะแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้สึกเนี่ยไอ้นี่ออกนอกเท้านั้นเลยสมาธิไม่ดีครับผม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 ก็ไม่ทราบจะทํายังไงดีในนี้ก็ดีกว่าแต่ก่อนค่ะดีกว่าค่ะแต่ก่อนขบแรงกว่านี้แผลก็ใหญ่กว่านี้แต่ก่อนไม่ได้ขบค่ะแต่ว่าเครียดอ่ะไม่เครียดค่ะแต่แต่ครั้งสุดท้ายที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อที่เมืองไทยหลวงพ่อก็บอกว่าดูชำชำใช้ได้แล้วนั่นมันดีขึ้นแล้วคือภาวนานะภาวนาไม่เป็นเนี่ยจะบังคับตัวเองใหญ่เพราะนิ่งนิ่งแข็งแข็งเครียดเครียดอยู่นะทื่อ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 เกิดจากเหตุทั้งหมดใช่ครับมันเป็นแบบของเดิมเออของเดิมใครฝึกเอาคราวนี้ไม่ทราบว่าคือพยายามดูกายเพิ่มขึ้นเงโยมจริงจังเกินไปก็ไม่ได้จริงนะคะหลวงเอราเดี๋ยวนี้ถ้าแบบจะปล่อยไปตามธรรมดาไม่ปล่อยจริงอสินะฮะถ้าปล่อยจริงจิตไม่เป็นอย่างนี้หรอกคือมันมันขยันดูมันี่มันโลบเดินโลบนะ มันคืออาจจะโกลัแต่เองจะไม่มีสติก็ได้ใช่กลัวปล่อยๆไปบ้างใช่ไหมให้มันลงๆบ้างลงบ้างร้ง อ, ง อ, องเพลงสักเพลงสิอไม่เคยชอบร้องเพลงเนี่ยถ้าเนี่ยถ้าจิตซีเรียสอยู่อีทั้งวันทำอะไรก็ซีเรียสอย่างเงี้ยไม่ดีหรอกมันเหนื่อยแต่ว่ามันก็ดีกว่าเดิมเยอะละอ็ะดีกว่าเดิมเมื่อก่อนมันแรงกว่านี้แรงกว่านี้อยุ่งนี้มันก็ไม่ช่วยไม่ค่ยได้เท่าไหร่มันมือนี้ขนเครียด เราไม่ไปหาเมืองที่เขาไม่เครียดหร่ะก็ไปอยู่เมืองไทยต้องหกเดือนมาแล้วมา <laughs> ยิ่งเครียดหนักกว่านี้อีก <laughs> <laughs> อยู่เมืองไหนก็ไม่เครียดเป็นเมืองไทย <laughs> หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำอีกไหมค่ะอยนโลภนะพ่วนา <laughs> โลบอยากได้ดีอยากคนทุกข์อยา ก, น, ก, อยากนอนอยากนี่ไปมันยิ่งไปบังคับตัวเอง ยิ่งบังคับก็ยิ่งเครียดความโลภความอยากมันเป็นตัวสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะมนมรดการค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนว่ามาคื อ, อปฏิบัติมาได้ประมาณเกือบปีกว่าค่ะแต่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะมาปฏิบัติเข้มเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงมแล้วก็เปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป็น feeling the sensation นะคะ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 ไม่ไม่นะเออดีเอาแค่โมโหพออย่าให้ถึงอาการเป็นคนใจร้อนค่ะแต่ว่าโมโหเราก็หาย เ, ออเร็วดีแล้วคือควรที่จะไปดูดูใจนะใจเราใจร้อนใจอะไรเนี่ยมันมีโทสะแทรกบ่อยๆนะไม่ว่าอะไรกระทบนะใจมันจะมีความหงุดหงิดฝุดขึ้นเรื่อยนะหนูเ ค, คยดูตัวนี้บ่อยๆ ต่ไปจะเห็นเนี่ยความหงุดหงิดกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนะไม่เกี่ยวกับเราละใจจะสบาย mm hmm. กิเลส ก, ก็อยู่ส่วนกิเลสนะจิตก็อยู่ส่วนจิตไม่เกี่ยวกันนะชีวิตเราจะเบาสบายค่ะแต่ก็มาปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วละไปทำอีกนะค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อตอนนี้ ลูกปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อนะเจ้าค่ะเห็นขันท่าทํางานเองโดยอัตโนมัติเจ้าคะ่ะจิตขณะนี้เป็นไงตอนนี้เหรอเจ้าคะตื่นเต้นแล้วก็ดิ้นอยู่ข้างในคะ่ะจิต <c oughs> ตื่นเต้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะเรื่องหลวงพ่อ <c oughs> ถามแต่ละคนถามว่าจิตเป็นไงน่าจะตอบเหมือนเหมือนกันตื่นเ <c oughs> ต้ตนอไรย่างงี้ตื่นเต้นไม่เป็นไรใช่ไหม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 แล้วลูกก็รู้สึกว่าใจมันอยากให้เขามาไวๆแต่มันกับรู้สึกเฉยๆเจ้าค่ะ <c oughs> แล้วพอขับรถมาก็เห็นว่า มันน่าจะรีบร้อนมันน่าจะร้อนทุรนทุไลแต่มันไม่ทุลนทุไลมันกลับเบิกบานมาเจ้าค่ะก็ดีสิแล้วก็หลงทางกันอีก GPS มาไปหลงอีกครึ่งชั่วโมงมก็ยังเบิกบานอยู่เจ้าค่ะก็ดีเหนือขากลับมาหลงอีกสักครึ่งชั่วโมงจะ <laughs> ได้เบิกบานเยอะๆเจ้าค่ะแล้วตอนนี้ลูกปฏิบัติเอ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 เห็นความเป็นอนัตตาเลยทําให้จิตรู้สึกเบิกบานเจ้าค่ะแล้วบก็ดีแล้วนี่ลูกปฏิบัติเอาตัวรอดได้หรือยังเจ้าค่ะยังยังอีกเหรอจ้าค่ะเอาตัวรอดเป็นพระโสดาจ้าค่ะลูกพยายามเจ้าค่ะจดคอถวายปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณหลวงพ่อประโมทประโมทชตเจ้าค่ะสาธุนะสาธุขอบพระคุณเจ้าค่ะมาอเมริกานะไม่ขอต่างสักเหรียญหนึ่งเลยนะ ขออย่างเดียวภาวนานะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะลูกปฏิบัติถูกทางนะเจ้าค่ะลูกจะไปนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานได้ต่อใช่ไหมคะสิบวันอะไรประมาณนี้อย่าไปนั่งเพลงเอานะอย่าไปนั่งเพลงใช่ไหมเจ้าค่ะเอออย่าอย่าไปเพ่งเอานะเจ้าค่ะมิแต่ดูไปด้วยความเป็นกลางข้อนาเป็นห่วงมากเลยเวลาพวกเราไปเข้าคอร์สนะบางคนจิตกำลังดีเลยไปเข้าคอร์สกลับมาอย่างี้ เสียหมดเลยเจ้าค่ะหรือบางทีนะไปเข้าที่ปฏิบัติที่เขาสอบอารมณ์อ่ะสอบแล้วเขาห้ยามดัดแปลงซึ่งเรามีสติสำหรััญญานะแล้วยามดัดแปลงให้ไปติดอะไรสักอย่างยิ่งแย ก, กว่าเก่าอยู่ทีสถานที่ที่ลูกไปท่านเน้นว่าให้มีสติและมีอุเบกขาอย่า ย, ยึดมั่นถือมั่นหให้มีความเป็นกลางรักษาความเป็นกลางสิ่งที่ต้องการก็คือความเป็นกลางนิดเดียว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 ก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆก็เห็นอารมณ์นั่นแหละนะพานาถูกแล้วเห็นอารมณ์ได้มากขึ้นภาวนาถูกแล้วไม่ทาอีกนะเห็นไหมร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราดูออกไหมก็เห็นว่ามันบางทีเห็นเหมือนในซีดีหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นท่อนๆก็นะครับค่อยๆดูนะก็ไม่ได้เห็นตลอดเห็นไหมกิเลสแกัจิตแล้วคนละอันก็ก็เคยเห็นกิเลสเป็นอบ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 ฝักถามว่าอะไรนะฝากถามว่าเป็นคนย้ําคิดย้ําทําจะจะทํำยังไงดีครับอ๋อทําใจห้ามไม่ได้หรอกก็นิสัยมันเป็นอย่างนั้นย้ําคิดย้ําทําแล้วพุ่มใจขึ้นมาให้รู้นะโมโหขึ้นมาให้รู้นะให้รู้ทันใจเอาจะจะห้ามไม่ให้ย้ำคิดย้ําทําไม่ได้ย้ําคิดย้ําทําแล้วเกิดความรู้สึกอะไรอะให้รู้เอาหยุดไม่ได้ก็เราเป็นคนย้าคิดย้ำทำหยุดก็เสียเอกลักษณ์เรา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 คือหนูไม่หนูไม่รู้ว่าเหมือนส่งกันบ้านหรือเปล่าเลยว่าคือหนูจะมีความรู้สึกกลัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะทุกครั้งที่มีสติก็จะกลัวแบบกลัวค่ะความจริงไม่มีสติก็กลัวนะใช่ใช่คือแต่ว่าเรามไม่เคยเห็นเมื่อเรามีสติเลยรู้ว่ามันกลัวเราเพิ่งจะมารู้ว่าเป็นคนแบบนี้เมื่อหลังๆนี้อะไรงเง<อ>ี้ยแสดงว่าพัฒนา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 ให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงใช่ถึงแม้ว่ามันจะเกิดอยู่แทบตลอดเวลาที่เรามันไม่ได้กลัวตลอดเวลาไม่กลัวตามที่คิดใช่ค่ะอย่างตอนตกใจก็ไม่ได้กลัวอย่าง<น>ขำก็ไม่กลัวแต่พอกําลังจะทําอะไรสักอย่างเฮ้ยกลัวแล้วอะไรเ ง, <dim. S 1> ง, งี้ยมันตามหลังความคิดมาแสดงว่าต้องรู้ว่าคิดอยู่อะไรเงี้ยคะแล้วก็รู้ว่ากลัวอะไรเงี้ย ม, ม่ต้องไม่ต้องอไอ้นั้นเยอะไป แค่กลัวแล้วรู้ว่ากลัวไปรู้ว่ามันกลัวหออ้ามมันไม่ได้บอกมา น, นี้แต่ก็ยังไม่กล้าทำอยู่ดีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรอีกหน่อยก็กล้าให้รู้ว่ากลัวออค่ะขอบคุณนะคะนามัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อพี่กายหลวงพ่อมาที่แคลิฟอร์เนียหลวงพ่อได้เมตตาให้ลูกไปทำกันบ้านคือว่าไปดูกายลูกก็ไปทำตามได้ไปสวดมนต์ไหว้พระ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 หายขวาทับซ้ายก็ไม่มีหายไปไหนหมดก็ จ, จิตมีสมาธินะร่างกายก็หายโลกทั้งโลกอย่างหายเลยเหลือจิตดวงเดียวแล้วตอนนี้ตอบไปครูบาอาจารย์ก็มรณะภาพไปแต่นิยมก็ไม่ได้ปฏิบัติต่อตอันนี่เขาฝึกกันนะเสืสเส่อมต้องซ้อมไปเรื่อยสมาธิถ้เป็นของเสื่อมนะไม่ซ้อมก็าหายแต่เวลาเรานั่งเราเคยนั่งจนร่างกายหายไปแล้วอย่าไปหวังว่ามันจะหายอีก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 มันสั่นอยู่ตลอดเวลาใช่มันฟิ้วฟิ้วฟิ้วอยู่กลางหน้าอกนะเจนมหาบัวสอนทำแทกเกิดขึ้นกลางอกนะพอนาพอสติสมาธิปัญญาละเอียดนะเห็นแต่ไหวยิบยับยบยับยิยบอยู่กลางอกนะเวลารู้เนี่ยรู้ห่างๆอย่างที่โยมรู้อย่างนี้ใช้ได้อย่าลงไปจมลงไปอย่าไปคลุกกับมันดูห่างๆไว้ได้แต่เห็นเลยว่ามันมีแต่ทุกข์คือวิปัสสนาไม่ใช่สมถะใช่ไหใช่ เห็นมีปัสสนาตอนนี้โยมต้องปฏิบัติยังไงต่อไปนะปฏิบัติอย่างนี้เลยแต่ถ้าวันไหนแบ่งเวลาไว้นะทําความสงบทุกวันทุกวันแต่ว่าสงบแล้วก็ปล่อยให้จิตมันทํางานให้เห็นมันไหวๆขึ้นอย่างนี้แล้านาพอถึงละเอียดแล้วไหวๆอย่างนี้หลยแต่อย่าจมลงไปอยู่ที่ไหวๆขอบพระคุณค่ะแล้วแล้วพระทรายมีอะไรจะแนะนําอีกถ้าทาบ่อยๆอย่าอยากได้ถ้าอยากแล้วไม่เป็นขอบพระคุณค่ะ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 แต่ถ้าทางใจก็รักษาทางใจเราต้องรักษาเราเองแล้วที่อันนี้ส่วนตัวเจริญถามว่าที่ท่านบอกว่าให้ระวังว่ามันจะสุขว่างๆมันหมายถึงว่าไม่ถึงฐานหรือเปล่าคะจิตมันจะเคลื่อนออกไปข้างหน้าแล้วก็โล่งๆว่างๆอยู่ี้ทั้งวันเลยสบายเพลื้อเพลื่ออะไรเงี้ยมันจะเนียนเนียนเนียนเนียนั่นแหละตัวดีเลยกลับมารู้สึกกายบ่อยๆเลยนะถ้าจิตไปติดตัวนั้นไม่ได้เรื่องเลย หลวงปูมั่นบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนั่นแหละจิตติดเฉยหายใจไว้หายใจแล้วเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาหายใจแล้วรู้สึกกลับเข้ามาไหมมันรู้สึกชัดขึ้นอย่าให้ลอยเวงฟางอยู่ข้างนอกหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกแต่อย่าทํามากหายใจแล้วรู้สึกมากไปมนจะแน่นเอาทีสองทีพอรู้สึกเข้ามารู้สึกเข้ามาสองสามครั้งพอแล้วก็ปล่อยให้มันทํางาน ก, การนวัตการมหลวงพ่อค่ะ<ช>คื อ, อ, อปกติเนี่ยคือจะปฏิบัติแบบอพองยุบค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือว่าจะอยากจะลองปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงพ่อแนวทางที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะใช้วิธีพองยุบก็ได้นะ ค, คือสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยคือหลักของการปฏิบัติเช้พุโทโธรู้ลมหายใจพองยุบทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเตียนอันนั้นคือวิธีการปฏิบัตินะ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 แทนที่ว่าหน้าจะมาดูสักทีนะก็เมื่อค่อยสังเกตเรื่อยๆเดี๋ยวโลภใช้คะแนนช่องโลภนี่คือถ้าถ้าถ้าเราไม่สามารถที่จะจําแนกได้ว่าโมโหหรือว่าโลภหรือว่าโกรธถ้าเราแค่เห็นว่าสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วหายไปแค่นั้นพอละอนะไม่ต้องใส่ชื่อมันก็คือว่าถ้าท่านทําแต่ละวันเนี่ยก็คือสามารถที่จะทําในช่วงนั้นเลยหรือว่าหรือว่าเราจะต้องมารวมทําทีเดียวหรือว่า เด็กชนไดเมื่อไหนก็าทำตอนนั้นแหละแต่นั้นเป็นอุบายเท่านั้นเองนะคืออย่างพวกเราเนี่ยเราอยากรู้ไหมว่าตายเราจะไปเกิดที่ไหนแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ป๊อปเท่านั้นนะหมายถึงเป็ น, เ ป, นเป็นโอกาสวิธีที่จะดูนะจิตของเราเองอะเป็นที่เป็นผู้จำแนกว่าเราจะไปเกิดในพวกภูมิใดถ้าจิตของเรามีโทสะเยอะนะคุ้นเคยกับโทสะเนะียโอกาสตกนรกสูง เวลาเราโมโหเราตกนรกอยู่ตอนนี้แล้วเวลาตายถ้าตายด้วยจิตที่โมโหก็ตกนรกอีกแล้วถ้าเรามีความโลภสูงนะเราจะไปเป็นเปรตเป็นเปรตถ้าเราเซลจัดเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะเป็นอสุรกายถ้าเราใจลอยเราเหม่อเมอนะเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเคยเห็นไหมพวกหมาพวกแมวใครเลี้ยงบ้างเวลามันอยู่ตัวเดียวไม่มีใครยุ่งกับมันนะมันจะใจลอยเหม่อเหม่อไป ท้าเมไรใจเราเป็นบุญเป็นกุศลอะไรเงี้ยก็จะไปสู่สุขติดังั้นเราให้เราหากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งนะเอากระดาษที่ใช้ไปด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งยังใช้ได้แค่นี้นก็พอละได้ไประหยัดมาตีเป็นช่องๆนะรอบโกรธหลงอะไรเนี่ยถ้าใจมันลอบขึ้นมาทีก็ให้คะแนนช่องรอบหนึ่งทีใจมันโกรธเพื่อไปใส่คะแนนช่องโกรธเราจะดูว่าในหนาทีเนี่ยหนาทีพออย่าเล่นมาก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 พระพุทธเจ้าสอนเนียว่าส่วนใหญ่ตายแล้วไปทุกขตินะไม่ใช่ไปแลสุขติหรอกแต่ถ้าใครเล่นเกมที่หลวงพ่อบอกนะจะไปสุขติเพราะคะแนนรวมของโบลบโกรดลงนะีคือสติรอบหนึ่งครั้งรู้ว่ามีความโรภก็คือมีสติหนึ่งครั้งโกรดขึ้นมาทีหนึ่งรู้ว่าโกรดก็เรียกว่ามีสติหนึ่งทีนั้นคะแนนรวมของมันนั่นแนะคือสติะ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 เราภาคทำมาแต่เด็กเ่ยกายหายโร<ล>ค <ทำ S 2> หายเขาตอนถอยออกจากสมาธิก็รู้สึกเลยร่างกายกับจิตเนี่ยคนลาอัน ค, ค่ะนะเป็นนั่นแหละต่อเอาแล้ ว, ล, ว, ล, วล่ ะ, ละได้เท่านี้อนะ